วันนี้พระอาจารย์จะสอนเรื่องการปรุงใจให้เป็นสุขเพราะคนส่วนใหญ่นั้นถนัดในการปรุงใจให้เป็นทุกข์ถ้าเราสามารถที่จะปรุงใจให้เป็นทุกข์ได้เราก็ต้องปรุงใจให้เป็นสุขได้เราแต่ละคนก็เป็นเหมือนพ่อครัวเป็นเชฟฝีมือเยี่ยมแต่ในเสียดายที่เราถนัดแต่การ ปรุงอาหารแห่งความทุกข์ให้ตัวเองไม่ถนัดในการปรุงอาหารแห่งความสุขป้อนให้ตัวเองทั้งทั้งที่เราสามารถปรุงให้ตัวเองสุขได้พอๆกับเทพปรุงให้ตัวเองทุ ก, ท, กทุกครั้งที่เราปรุงให้ตัวเราทุก <laughs> ก็เหมือนเราเนี่ยหยิบเข็มขึ้นมาแทางตัวเองปรุงให้ทุกครั้งหนึ่งก็แทงตัวเองไปเร่มหนึ่ง ในหนึ่งวันเราปรุงให้ตัวเงทุกพันครั้งด้วยพันเรื่องหรือเรื่องเดิมพันครั้งถ้าเราตีราคาของความทุกข์ที่เราปรุงให้ตัวเองทุกนั้นออกมาเป็นเข็มแต่และเล่มที่หมอฟันเข็มใช้ปักลงไปทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะในหนึ่งวันคนที่ปรุงให้ตัวเงทุกโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวอย่างนั้น คงจะถูกเข็มแทงจนทุนทั้งร่างอัตมาภาพมีประสบการณ์ไปให้หมอจีนฝังเข็มเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะหมอจัด ก, การฝังตั้งแต่น้าผากลงไปจนถึงปลายเทา้าอัตมาภาพรู้สึกตัวเองเหมือนปลาที่วางอยู่บนเข็มมีเข็มวางทุนไปหมดแล้วหมอก็ให้นอนนิ่งๆ20นาที ต้องนิ่งจริงๆเพราะว่าขยับไม่ได้เลยถูกตรึงด้วยเข็มผ่านไปยีสิบนาทีหมอกลับมาแล้วอัตมาคิดว่าสบายแล้วเสร็จแล้วหมอบอกว่านี่มันพลิกครับทําไมหมอข้างหลังยังไม่ได้เริ่มเลยอัตมาถูกพลิกเหมือนปลาที่อยู่บนจานอะ่ะเวลาเราทานข้างหนึ่งเสร็จแล้วมันจะเหลือข้างล่างใช่ไหมเราก็ต้องพลิกอีกข้างหนึ่งขึ้นมาทาน บมอจับอัตนาภาพพบรกแล้วเอาเข็มฝังทุนเต็มหลังอีกรอบหนึ่งนั่นแหละจินตนาการรูถ้าทุกๆครั้งที่เราปรุงให้ตัวเงทุกเหมือนการที่เราเอาเข็มแทงตัวเองเป็นหนึ่งเล่มวันหนึ่งเราจะเจ็บกี่ครั้งวันหนึ่งเราจะเจ็บกันกี่หนในทางกลับกันถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นปรุงให้ตรวงมีความสุข และทุกๆครั้งที่เราปรุงให้ตัวเองมีความสุขเราเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นดวงดอกไม้ในหนึ่งวันอ่ะทั้งเนื้อทั้งตัวเราคงจะกลายเป็นสวนดอกไม้เต็มไปด้วยดวงดอกไม้ที่ผลิบานและพอดอกไม้ผลบานนะผู้พระมนเขาก็จะมาตอมโดยอัตโนมัติชีวิตเราจะมีแต่ความสดชื่นรื่นเยิง ใครมาใกล้เราก็เหมือนเดินอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้เขาจะมีความสุขมากในทางกลับกันถ้าเราปรุงให้เริงทุ่งใครมาใกล้เรานาะพอมาใกล้บั๊บเราสลัดนิดเดียวเข็มทิมเขาเละเคยเห็นแม่นไหมแม่นเนะ่ยโยมลงไปใกล้เลยแต่เขาสลัดขนใส่คนบางคนทําตัวเหมือนแม่นใครมาใกล้ปั๊บสลัดขนทิมหน้าทิมตาเขา พแต่ละทีทาให้เพื่อนทุกพูดแต่ละทีทำให้เพื่อนจะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเปลี่ยนตัวเองให้เป็นดวงดอกไม้ใครมาใกล้เราทำให้เขาสดชื่นรุ่นเยน็นเพราะกลิ่นหอมและสีสันของเราจะไปทำตัวเป็นเม่นใครมาใกล้ก็เที่ยวสลัดความทุกข์ใส่เขาในชีวิตจริงเราเจอคนอย่างนี้เยอะมากเช่นเรามาในห้องนี้บางทีเรานั่งของเราเรายิ้มฟังอย่างมีความสุขเพื่อนเร า, าชวนเราคุย คนคุยแต่เรื่องไม่ดีทั้งทงที่ข้างหน้านี้มีแต่เรื่องดีๆเรากำลังจะดีของเราอยู่แล้วนะเพื่อนดึงไป <c oughs> เราก็ตกตกหลุมเพื่อนตามเพื่อนไปทุกข์อีก ท, ทั้งทนี้ของดีอยู่ตรงหน้าแต่เราก็หมดโอกาสาที่จะได้ชื่นชมฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปรุงใจให้ตัองทุกข์โดยธรรมชาติชันได้ในทำนองกลับกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรุงให้ตัเอสุขได้ชันนั้นเหมนกัน ก่อนอื่นอยากจะเริ่มพูดถึงคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะเป็นเราจะเป็นอิสระจากความคิดพอเราเป็นอิสระจากความคิดมาอยู่กับความรู้สึกตัวสดสดที่นี่และเดี๋ยวนี้น า, นาขณะจิตไห้จิตของเราจะมีสรภาพมีความสดชื่นรื่นเริง เราแต่ละคนจะเปรียบไปก็เหมือนกับเนื้อที่มาติดบวงของนายพรานบวงนั้นล่ามข้อเท้าเอาไว้ถึงแม้เรามีศักยภาพที่จะเดินและวิ่งแต่เราก็วิ่งและเดินไม่ได้และพอนายพรานไม่มาแก้บวงซะดีเราก็เิดอยู่อย่างนั้น ติดนา น, น, นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเราเกิดความเคยชินจึงคิดว่าบ่วงเป็นส่วนหนึ่งของเท้าเราและจากนั้นก็ไม่อยากจะเดินไม่อยากจะวิ่งอยู่กับบ่วงนั้นจนชินในที่สุดเราก็กลายเป็นคนที่อยู่กับบ่วงอย่างมีความสุขหารู้ไหมว่าคุณสุขได้มากกว่านั้นท่าไรบ่วงฉะนั้นโลกนี้จึงมีคนจำนวนมากที่มีชีวิตอยู่กับความทุกข์ มีชีวิตอยู่กับวิธีคิดที่ผิดเพรดซึ่งทำให้ตัวเองนั้นจมอยู่ในความทุกข์บางคหนหลังนานสหัสถึงขั้นเป็นโรค ซ, ซึมเศร้าริงไปหาหมอหมอก็ให้ยามาบำบัดแต่เป็นการบำบัดลงไปที่ระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อการปรับแต่งเคมีในสมองแต่ไม่ใช่ที่ต้นต่อคุณป่วยที่เจ็บ แต่หมอแก้ให้คุณที่กายภาพของคุณกล้ามเนื้อของคุณระบบประสาทของคุณเคมีในสมองของคุณยังไม่ถึงต้นต่ออาการของคุณควรจะผ่าตัดแต่ที่หมอทำก็คือให้ยาแก้ปวดแล้วผ้ามาพันไม้ภายนอกแล้วก็ทายาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณจะหายดังนั้นหลายคนจึงกินยานอนหลับเป็นปี เป็นสิบปีเป็นยี่สิบปีบางคนต้องกินยาตลอดเวลาในหนึ่งวันต้องกินยาหลังอาหารทุกๆุกมือ่อเพื่อที่จะเยียวยาโรคบางโรคของเธแต่แล้วก็ไม่หายไม่เพียงโรคไม่หายจนได้โรคชนิดหม่กลับคืนมาอีกต่างหากนั่นก็เพราะว่าการเยียวยาที่ผ่านมานั้นไม่ถูกต้องเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์ไม่อาจให้คำตอบได้ทุกๆเรื่อง วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงจิตแท้ๆเต็มที่ไปได้แค่การวัดคลื่นสมองยังไปไม่ถึงตัวจิตและนั่นคือข้อจำกัดของเทคโนโลยีซึ่งเด็นักวิทยาศาสตร์ชั้นนาต่างก็ยอมรับในข้อจำกัดนี้จึงหันมาศึกษาสัจธรรมทั้งพุทธทั้งเต๋ดังมีผลงานเล่มหนึ่งของฟิจจอคาปราออกมาชื่อว่าเต๋าแห่งฟิสิกส์รูเทอร์นิ จุดเปลี่ยนแห่งศตรวรรษที่วิเคราะห์เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของวิทยาศาสตร์แล้วก็ทานออกของวิทยาศาสตร์ว่าจะสามารถมาพบกับศาสตร์ในโลกตะวันออกหรือศาสตร์ทางจิตวิญ ญ, ญาณได้อย่างไรก็เป็นเหตุให้เกิดแนวคิดใหม่ๆเช่นแนวคิดที่เรียกกันว่าการมองอย่างเป็นองค์รวมเกิดขึ้นในวงการแพทย์วงการวิทยาศาสตร์ นันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่วิทยาศาสตร์มาบรรจบกับพุทธศาสนาและทําให้เราได้เรียนรู้วิธีที่จะเยียวยาเพื่อนมนุษย์ของเราให้มีความสุขโดยมีทางเลือกมากกว่าการใช้ยานั่นก็คือใช้การเยียวยาการใช้ยาคือการรักษาแต่การเยียวยานั้นคือการฟื้นฟู ก, การบําบัดการแต่งเติม การคลืยคลายซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางการดูแลสุขภาพกระบวนการทางการปรับทัศนคติชีวิตของเรานั้นประกอบขึ้นด้วยกายกับจิตเราจะดูแลแต่กายไม่ได้เราต้องดูจิต ด, ด้วยพร้อมๆกันนั้นเราในทางกลับกันเราจะดูแลแต่จิตก็ไม่ได้ต้องดูแลกายด้วยกายกับใจต้องได้รับการดูแลไปพร้อมๆกัน ถ้าแพทย์ดูแลร่างกายเราด้วยเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือชั้นยอดชั้นใดเราก็ควรจะดูแลใจของเราด้วยเทคโนโลยีทางจิตทางเินดานสำนนั้นเหมือนกันพระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบเทคโนโลยีในการดูแลจิตใจและการดูแลร่างกายขึ้นมาแล้วทรงเรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะธรรมะไม่ใช่ศัพท์ของชาวพุทธธรรมะ เป็นศัพท์เก่าแก่ที่มีมานานใช้กันมาก่อนหน้าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติสรมะก็คือความจริงที่มีอยู่คู่โลกพระพุทธองค์เพียงแต่มาท่งคนพบความจริงนั้นก็เหมือนกฎแห่งแรงดึงดูดกรือแรงโน้มถ่วงของโลกที่มีอยู่แล้วก่อนการค้นพบของเซอร์ไอแซคนิวตันบนทิษฎีสัมรรภาพ ความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ก่อนหน้าที่อัสตายจะมาค้นพบความจริงทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ก่อนตัวนักวิทยาศาสตร์ชั้นใดความจริงทางธรรมก็มีอยู่ก่อนการมาถึงของพระพุทธองค์ชั้นนะั้นความจริงมีอยู่แต่ถ้าไม่มีผู้คนพบความจริงมนุษย์จะไม่ได้รับประโยชน์จากความจริงอันนั้นศัจธรรมมีอยู่แล้วก่อนหน้าการมาถึงของพระพุทธเจ้าดังนั้นศัจธรรมนั้นจึงเป็นของโลก และเพราะมันเป็นของโลกมันจึงใช้ได้กับคนทั้งโลกอัจารยาพจึงพูดเสมอว่าในการเรียนธรรมะนั้นไม่สำคัญว่าต้องเป็นชาวพุทธหรือชาวคริสต์สิ่งสำคัญคือขอแค่คุณเป็นมนุษย์ก็ใช้ได้แล้วและทุกท่านในห้องนี้ก็เป็นมนุษย์เราจรึงมีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพที่จะมีความสุข การเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นเป็นหนทางที่รัดตัดปรุงบางที่จะทําให้เรามีความสุขเพราะทุกขณะที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะจิตของเราหลุดจากความคิดพอหลุดจากความคิดมาอยู่กับความรู้สึกตัวที่านี้และเดี๋ยวนี้ก็เหมือนนกที่พ้นออกไปจากกรงก็เหมือนเนื้อที่พ้นออกไปจากบ่วงเดินและบินได้อย่างเสรีชีวิตที่มีเสรีจึงเป็นชีวิตที่มีความสุขมาก เมื่อเรากลรนหายใจอยู่ใต้น้ำแล้วเสือกตัวขึ้นมาเหนือน้ำหายใจยังเต็มปอดเราจะไม่ความสุขเหมือนเราถูกขังอยู่ในห้องที่ปราศจากอากาศพอเราเปิดหน้าต่างออกไปได้เท่านั้นเราก็จะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นรุ่นเย็นของอากาศชั้นใดก็ชันนั้นเวลาที่เราอยู่ในโลกของความคิดเราจะถูกดึงไปยัง อดีตหรือไม่ก็อนาคตคนบางคนก็ถูกดึงไปในอดีตคนบางคนก็ถูกดึงไปในอนาค ต, คาคนนาคตเขาจึงไม่เคยอยู่กับปัจจุบันและสิ่งซึ่งจิตจะใช้เป็นอาหารก็คือความคิดความคิดอย่างหนึ่งก็คือความคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วซึ่องราในอนดีตทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ความคิดอย่างหนึ่งก็คือความคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ได้แก่ความคิดถึงพวกเราในอนาคตมนุษย์ตกอยู่ในอดีตและอนาคตอย่างนี้นเขาจึงแทบไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆในปัจจุบันขณะดังนั้นทั้งดั้งที่เขามีบ้านมีรถมียศทรัพย์อำนาจพร้อมทุกอย่างเลยแต่เขากลับไม่มีความสุขเพราะเขาไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงสเขาเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เดินได้ โลกของเราเต็มไปด้วยซักศพที่เดินได้เต็มไปหมดเดินอยู่ในสนามบินเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าเดินอยู่ในรถไฟฟ้าเดินอยู่ในออฟฟิศเดินอยู่ในบ้านเดินอยู่ในสวนเดินอยู่ในโรงเรียนเดินอยู่ในจอโทรทัศน์แต่ไปทุกคนทุกอย่างมีผู้คนอยู่มากมายแต่ไม่มีคนที่มีชีวิตชีวาแน่นอนเขาเหล่านั้นมีชีวิตแต่เขาไม่มีชีวา มีชีวิตคือยังไม่ตายแต่ครล้นั้นไม่มีชีวะคือความสดชื่นรุ่นเย็นความสดชื่นรุ่นเย็นนั้นก็หมายถึงว่าการมีสภาวะจิตที่มีความโปร่งความเบาความสบายความรู้สึกตัวทั่วพ ร, รอ้อม <c oughs> ดังหนึ่งในเนื้อในตัวนั้นมีทานน้ำผู้ น, น้อยพุทธพรายออกมาถ้าเราอยู่กัปัจจุบันเป็นเราจะมีความสดชื่นรุ่นเย็นอย่างนั้น และพเรามีสภาวะอย่างนั้นหล่อเลี้ยงอยู่ในจิตในใจแล้วเราจะแสวงหาความสุขจากภายนอกน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราจะเสพติดการบริโภคน้อยลงน้อยลงน้อยลงจะเสพติดวัตถุน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราสามารถหยัดยืนได้อย่างเป็นตัวของเองต่อให้ทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีวัตถุใดๆสักชิ้นเนี่ยเราก็ยัดยืนในความสุขอยู่ได้การอยู่กับปัจจุบันนั้นง่ายมากเพราะว่าเรามีเครื่องมือแล้วเครื่องมือนั้นคือลมหายใจ เราทุกคนมีลมหายใจแต่น่าเสียดายตอนที่เรามีลมหายใจเราไม่เคยตระหนารู้ถึงลมหายใจนะเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราจะตระหนารู้ก็ต่อเมื่อเราเป็นวัดเป็นหอบเหิดหายใจไม่สะดวกทีหนึ่งถึงนึกขึ้นมาได้ว่าอ้อนนี่ลมหายใจมันสำคัญนะถูกเครื่องช่วยหายใจครอบครึ่งปากครึ่งจมูกเพิ่งเลือกขึ้นมาได้ว่าโอ้ยลมหายใจสาคัญเหลือเกิน ทำไมเราไม่รู้ก่อนหน้านั้นลมหายใจไม่เพียงแต่ให้ชีวิตยังให้ความสุขยังให้ความตื่นรู้ยังให้สุรภาพยังให้ปัญญายังให้การเยียวยาแก่ตัวเราได้อย่างพิเศษแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จึงพากันมองออกไปข้างนอกเพื่อแสวงหาความสุขโดยหารู้ไม่ว่าถ้ามองเข้ามาข้างในและเรียนรู้ที่จะอยู่กับลมหายใจนั้น ลมหายใจที่มาพร้อมกับความรู้สึกตัวลมหายใจที่มาพร้อมกับความตื่นรู้นั้นเป็นทานน้ำผู้แห่งความสุขที่แสนวิเศษอย่างยิ่งหลายครั้งที่ธรรมภาพตามดูตามรู้ลมหายใจแล้วเกิดสภาวะผ่อนคลายสดชื่นรื่นเย็นและโปร่งเบาอรตมภาพถึงกับต้องหยุดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างวางตรงนั้นพราะรู้สึกว่าสภาวะแห่งความสุขที่เราได้รับนั้น ทั้งนุ่มนวนทั้งอ่อนโยนโปร่งเบาและเบาบางเหลือเกินไม่อยากจะให้สภาวะนี้หลุดหายไปหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออยู่ตรงนั้นและสภาวะอย่างนี้หรอเลี้ยงทําให้เรามีความสุขมีความสดชื่นรื่นเริงบ่อยครั้งต้องบอกกับคนอื่นอยู่เสมอว่าไม่ต้องเอารางวัลอะไรมาให้เพราะสิ่งที่เราได้รับจากการตามดูตามรู้ลมหายใจนั้น เป็นรางวัลที่วิเศษมากพอแล้วในตัวมันเองนี่คือเหตุผลที่แต่านภาพบอกกันเสมอว่าฉันจะใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตนะ่ะท่องไปทุกคนทุกแห่งเพื่อชวนคนทั้งโลกมาตามดูตามรู้ลมหายใจเขาจะได้เรียนรู้ว่าความสุขแท้ที่จริงนั้นราคาถูกเหลือเกินถูกแสนถูกเพราะไม่ต้องซื้อต้องหานั่นจากว่าเรามีอยู่แล้วทุกคนนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะจุกันลมหายใจอย่างมีความสุข ลองสังเกตถ้าเรากลับมาตามดูลมหายใจนะลมหายใจเนี่จะเป็นตัวกลางเชื่อมเอากายกับจิตมาอยู่ด้วยกันอะไรจะเชื่อมกายและจิตมาอยู่ด้วยกันอย่างดีที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่าลมหายใจแล้วนะเพราะวลมหายใจนี้อยู่ในกายนี้พอเรากลับมาตามดูลมหายใจเช่นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยา ว, ยาว กายกระจายจะทำงานร่วมกันทันทีแต่ถ้าตามดูเป็นสักพักหนึ่งอย่างน้อยสักห้านาทีเนี่ยจิตจะเบาเราจะหายใจช้าแล้วก็ผ่อนคลายจนในที่สุดเราตามหาลมหายใจไม่เจอหน้าท้องของเราไม่กระเพื่อมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเงียบงันหมดเห็นไหมพอลมหายใจสงบกายสงบไหมกายสงบทันทีเลย กายนั้นขึ้นอยู่กับจิตแต่จิตนั้นแสดงตัวที่ไหนแสดงตัวที่ลมหายใจฉะนั้นพอเรากลับมาตามดูตามรูลมหายใจเท่านั้นจิตของเราสงบพอสงบปับ๊บลมหายใจซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายกับจิตสงบพอลมหายใจสงบ ก, กายสงบจิตสงบแสดงออกที่ลมหายใจสงบพอลมหายใจสงบ ก, กายสงบนี่เป็นปาิหารของลมหายใจ คือเป็นสื่อกลางระหว่างจิตกับกายนี่เป็นวิทยาการทางจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมมากทีพระพุทธองค์ทรงค้นพบและนามาแบ่งปันให้พวกเราแต่พอเราไม่รู้ถึงปาริหารอย่างนี้เราก็มองออกไปข้างนอกไปแสวงหาความสุขจากวัตถุภายนอกพอเราไม่มีความสุขจากภายในเราจึงอยากได้ความสุขจากข้างนอกและดังนั้นเราจึงบริโภคมากขึ้นจึงครอบครองมากขึ้น จึงทำลายมากขึ้นสิ่งที่มารับกรรมเพื่อสนองความต้องการที่จะมีความสุขของเราก็คือสิ่งแวดล้อมเรากินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าในเวลานี้สิ่งแวดล้อมต้องมานั่งรับกรรมต้นไม้แม่น้ำเผืนป่าทรัพยากรแร่ธาตุอากาศที่บริสุทธิ์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี่ผูมนุษย์นำมาบําบัดความอยากของตัวเองบําบัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็คนเพราะว่าแทนที่จะมีความสุขความสุขนั้นกลับน้อยลงแต่สิ่งที่หายไปชัดๆคือทรัพยากรเพรวันนั้นจึงมีคนกังวลกันมากว่าในอนาคตอันใกล้อีกสักห้าสิบปีมนุษย์จะถึงเก้าพันล้านประชากรจะล้นโลกทรัพยากรจะไม่พอ และนั่นคือกระ LEY ยุคที่รอพวกเราอยู่ในทางกลับกันถ้าเราเรียนรู้ที่จะมีความสุขโดยการฝึกหัดศักยภาพที่จะมีความสุขผ่านกระบวนการฝึกเจ็ดขึ้นมานะเราจะหาความสุขจากการเสพน้อยลงท ร, รัพยกรทรัพยากรจะได้รับการเยียวยาและโลกที่อุดมสมบูรณ์ก็จะยังคงอยู่นี่คือวิธีที่เราจะสามารถ ยืดอายุให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปตราบนานเท่านานสตีเฟนฮอวกิงได้พูดเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้เองเพียงสองเดือนเขาบอกว่าในร้อยปีข้างหน้าถ้าหากมนุษยชาติอยากจะอยู่รอดเราจำเป็นจะต้องคิดถึงการไปสแสวงหาดาวดวงใหม่ mm hmm. เพื่อเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษยชาติเพราะว่ามนุษยชาติทุกวันนี้นิสัยไม่ดี บริโภคทุกอย่างที่ขวางหน้าทำดังหนึ่งว่าทรัพยากรนั้นจะกินจะใช้กันไปไม่หมดไม่สิน้นทางดังนี้ในความเป็นจริงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างร่อยรออย่างรวดเร็วมากฮอวกิงจิงเสนอว่าเราจะต้องมองหาดาวดวงใหม่เพื่อเป็นบ้านหลังใหม่เป็นบ้านสำรองของมนุษยชาติอัมบัมพเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับฮอกิงเพราะดมภาพเชื่ออย่างยิ่งว่า ถ้าขนมนุษยชาติไปอยู่บนดาวดวงใหม่ด้วยนิสัยแบบเดิมอีกสักร้อยปีดาวดวงนั้นก็จะถูกทำลายฉะนั้นแดนที่เราจะย้ายที่ทำลายจากโลกใบนี้ไปหาโลกใบ่อื่นเรื่อยไปตามลําดับทําไมเราไม่มาทําลายสิ่งที่เป็นต้นเหตุของการทําลายแล้วนั่นก็คือกิเลสในใจเราเราควรจะมาทําลายต้นเหตุแห่งความ ตะกระตะกรรมของเรานั่นคือความโลภความอยากอันไม่รู้จบไม่รู้สิ้นของเราเราจะทําลายมันได้ยังไงก็กลับมาเรียนรู้ที่จะมีความสุขที่ต้นทุนต่ํามากแต่เป็นความสุขที่ยั่งยืนความสุขมีสองชนิดหนึ่งสามไม่ ส, สุขความสุขที่เกิดจากการวางเงื่อนไขนั่นคือต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องบริโภคอะไรสักอย่างหนึ่งจึงจะมีความสุขสองนิราไม ส, สุข ความสุขที่ไม่ถูกวางเงื่อนไขก็คือความสุขจากใจที่เป็นอิสระสดชื่นรื่นเยน็นและสงบความสุขชนิดเช่นนี้นั้นไม่ต้องบริโภคอะไรเราก็มีความสุขได้ตัวเราได้รับการเยียวยาสิ่งแวดล้อมได้รับการเยียวยานี่คือวิธีที่เราจะไม่ต้องขนกันไปสู่ดาวดวงใหม่เราจะได้อยู่ในโลกใบนี้โลกที่แสนงามใบนี้ต่อไปตราบนานเท่า น, านั้น ขั้นวิธีการสําคัญที่สุดก็ น, นี้แหละการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะให้เป็นเพราะว่าถ้าเราทําเป็นแล้วเราจะค้นพบเองว่าทานน้าผู้แห่งความสุขอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่ข้างนอกและไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นและไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องช่นนี้จึงไม่รู้เคล็ดลับที่จะทําให้ตังมีความสุขเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงเขามีชีวิตอยู่ในโลกของความคิด ถึงอดีตคิดถึง อ, งอนาคตมีพระรูปหนึ่งเข้ามาบวชสามเดือนก่อนออกพรรษาท่านก็จินตนาการว่าถ้าท่านศึกไปแล้วท่านจะต้องแต่งงานวันหนึ่งท่านกําลังถวายงานพัดให้หลวงลุงหลวงลุงนั่งสมาธิอยู่ท่านก็ยืนพัดอยู่ข้างหลังด้วยพัดใบตาลพัดไปจินตนาการไป ออกพรรษาแล้วเราจะสึกแล้วเราก็ต้องแต่งงานแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกมีลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกถ้าลูกร้องไห้เราก็ต้องปลอบให้เมียเราช่วยปลอบและเราก็ช่วยกันปลอบและอีกเสียงหนึ่งก็ได้ขึ้นมาว่าถ้าปลอบแล้วลูกไม่หยุดมันก็ต้องมีตีกันบ้าง พอมาถึงคาว่าตีกันบ้างท่านก็พัดใบตานฟาดไปฟาดไปตรงไหนดีล่ะเนี่ยตรงกกงหูหลวงลุงเพาะเลยหลวงลุงตกใจตื่นจากสมาธิทำไมเธอตีฉันเปล่านะครับเธอเปล่าได้ไงเธอตีกกหูฉันเต็มเต็ ม, เ, ตมเปล่าครับหลวงลุ ง, ลงไม่ตีฉันนวเธอตีใครตีลูกครับหลวงลุงยังเถียงว่าแล้วลูกเธออยู่ไหนล่ะ ไหนลูกเธออยู่ไหน อ, อ, อยู่ในจินตนาการครับหลวงลุ ง, ลงเอ้าลูกเธออยู่ในจินตนาการแล้วที่ฉันถูกตีนี่มันในจินตนาการหรือในความจริง <c oughs> จริงก็รับหลวงลุงหลวงลุ ง, ล ง, ลงจริงบอกว่านี่แหละเห็นไหมตัวเธออยู่ที่นี่แต่ใจเธออยู่ไหนถ้าหมายจริงตอบพระครับหลวงลุ ง, ลง ตัวผมอยู่ที่นี่แต่ใจผมอยู่ในอนาคตครับนี่แหละคือคนส่วนใหญ่ตัวอยู่นี่แต่ใจฟุ้งไปในอนาคตถ้าฟู้งไปถึงเรื่องที่ดีเขาก็ยิ้มถ้าฟู้งถึงเรื่องไม่ดีเขาก็เศร้าอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมีพระสองรูปในประเทศญี่ปุ่นกําลังเดินไปทํำธุดารในเมืองพอเดินไปถึงสี่แยกแห่งหนึ่งเห็น หญิงสาวโชมสครานนางหนึ่งอยู่ในชุดกิโมโนเต็มยศชุดกิโมโนนี่เต็มไปด้วยผ้าหลายชั้นมากถ้าโยมนึกไม่ออกโยมนึกถึงแหนมเมืองไทยใบตองเยอะจริงๆท่อนเท้าแขนนะอย่าเพิ่งยิงว่าจะได้กินเยอะนะแกใบตองออกเหลือเท่านิ้วก้อยนั่นคือกิโมโน และทั้งสองรูปเดินไปถึงสี่แยกใจกลางเมืองเห็นผู้หญิงโฉบสะครารคนหนึ่งอยู่ในชุดกิโมโนสวยงามมากเธอยือนละล้าละหลังไม่กล้าข้ามน้ําไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นฝนตกหนักและน้ำจึงนนองขณะที่เธอกำลังยืนละล้าละห ล, ะลงังว่าจะข้ามไม่ข้ามดีไหมเพราะกลัวชุดจะเปียกหลุงพ่อเจ้าวัดก็เดินฉับๆไปหาเธอแล้วอุ้มเธอโดยสองมือหมับ จากนั้นค่อยๆลุยข้ามน้ำนำเธอมาวางไว้อีกฟากหนึ่งของถนนแล้วก็บอกว่าเอาละสิกาเรียบร้อยแล้วสิกายินงงไปไม่เป็นในชีวิตไม่เคยถูกพระอุ้มแล้วหลวงพ่อท่านก็ยินอย่างมีความสุขเดินไปทำสุราเรียบร้อยพระลุกวัดที่เดินตามหลังนั้นไปไม่เป็นเหมือนกันช็อกพอๆกับผู้หญิงคนนั้น ผู้หญิงคนนั้นช็อกว่าเมื่อกี้ฉันถูกพระอุ้มใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงพระลูกศิษย์ก็คิดว่าเมื่อกี้เราเห็นหลวงพ่ออุ้มสาวใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงต่างคนต่างก็ช็อกส่วนหลวงพ่อเดินจับๆไปทําธุราเสร็จฉันเพสนสวดมนต์ที่บ้านยิญเสร็จก็กลับทึงวัดถึงวัดหลวงพ่อก็ส่งน้ําแล้วก็นอนหลับปุ๋ยแต่หัวค่ํามีความสุขมาก สนลูกศินวัดตรงน้ําแล้วก็เข้านอนตาเบิกโพลงทั้งคืนเลยหลับไม่ลงท่านเฝ้าถามตัวองในความมืดว่าเป็นไปได้อย่างไรพระเราไม่ควรจะไปอุ้มผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่สวยขนาดนั้นเป็นอันตรายมากแต่หลวงพ่อก็อุ้มไปแล้วเราเห็นเต็มสองตาเป็นไปได้อย่างไงท่านเฝ้าถามและเฝ้าเถียนตัวเอง เสียงก้องกังวันอยู่ในสมองของท่านทั้งคืนหลับไม่ลงจนกระทั่งถึงดีหนึ่งท่านตัดสินใจหักเหล็บเดินไปหาหลวงพ่อที่ห้องเคาะประตูกก็หลวงพ่องวงเงียตื่นขึ้นมาเปิดประตูอะไรลูกหลวงพ่อครับผมหลับไม่ลงครับหลวงพ่อทําไมลูกเมื่อกลางวันนั้นหลวงพ่อไปอุ้มผู้หญิงได้ยังไงอ่ะครับหลวงพ่อ ผิดวินัยนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยอธิบายให้ผมสบายใจหน่อยเถอะหลวงพ่อเกาหัวอ๋อเรื่องนั้นเหรอฉันนึกว่าเรื่องอะไรเรื่องอุ้มผู้หญิงก็ฉันอุ้มไปเมื่อตอนกลางวันฉันก็วางแล้วนี่แกยังอุ้มอีกเหรอฉันอุ้มเมื่อกลางวันก็วางเมื่อกลางวันน่ะนี่มันตีหนึ่งแกยังอุ้มอีกหรือพวดแก่เนี้ย ถ้าหนุ่มรูปนั้นสาโตริสว่างโรงเกิดการตัดสรูนน่ออๆตอนมานั้นท่านหนักอึ้งเต็มหัวเลยพอพระอาจารย์ตีแส่งหน้าอย่างนี้ครับท่านยังอุ้มอีกหรือเท่านั้นหละเพราะเลยเหมือนจุดไฟในความมืดเปิดของที่ปิดหงายของที่วาบอกทางให้แก่คนหลงทางท่านจับประเด็นได้ว่าท่านอุ้มความคิดในอดีตมาตลอดเห็นด้วยอย่างว่านี่คือตัวอย่างของคนส่วนใหญ่ ความทุกข์หลายอย่างปัญหาหลายเรื่องมันจบลงไปแล้วแต่เรายอมให้จบไหมเราไม่ยอมให้มันจบเราเนี่ยเป็นคนที่ตระกองกอดปัญหาตระกองกอดความทุกข์ทั้งๆที่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วเราก็ทนุถนอมมันนะเอาความทุกข์ไปใส่ขวดโหลดองเข้ ม, ม <c oughs> <c oughs> ปัญดีขึ้นดีก็เปิดจุกหยิบใส่ปากเคี้ยวกินอย่างไงเด็ดอร่อย สมัยเป็นเด็กอาจจะไม่ทาบเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายอะ่ะกลางวันเล้ยควายเคี้ยวกินหญ้าพอกลางคืนควายจะขยอกหญ้าออกมาเคี้ยวเรียกว่าควายเคี้ยวเอื้องคนเราบางคนก็ฉันนั้นกลางวันทํางานเจอปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ทันได้คิดกลางคืนพอเขานอนปั๊บมีเวลาแล้วขยอกความทุกออกมาเคี้ยวควายเคี้ยวเอื้องคนเคี้ยวทุก <c oughs> ใช่ไหมมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาเล่าให้ฟัง ตอนนี้เป็นคนที่รวยระดับพันล้านกอมประเทศไทยเป็นนักธุรกริจหญิงที่รวยมากสร้างตัวจากสองมือเปล่ามาปฏิบัติธรรมการแตมมภาพแล้วก็มาเล่าถวายข้อมูลพระอาจารย์ในชีวิตนี้โยมตอนนี้หมดห่วงแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ยังแคร์ไม่หายนึกยังไงก็แครไม่หายเรื่องอะไรโยม เพื่อนโยมดูถูกโยมแล้วดูถูกเมื่อไรก็สมัยเรียนประถมมัน ด, <ถ>ดูถูกว่าไงมันดูถูกว่าคนอย่างโยมนะชาตินี้จ้างให้ก็ไม่รวยแล้วพอโยมโรวยขึ้นมานะโยมไปหาเขาถึงที่บ้านเกิดเลยนะ ยมถอนเงินล้านหนึ่งเอาใส่กระเป๋านะเป็นฟ่อนย่าเลยไปหามันที่บ้านเกิดสัางอาหารมาเลี้ยงกินข้าวกับเพื่อนยังมีความสุขมากเพื่อนเขาก็ช็อกมากเลยว่าลมอะไรพัดยมกลับไปหาเขาไม่เจอกันเป็นสิบปีกินข้าวเสร็จยมก็บอกว่าว น, นี่แกช่วยฉันนับเงินหน่อยสิเงินหนึ่งล้านให้เพื่อนนับแล้ว เออ ก, กนันนบไปนะเดี๋ยวฉันมาฉันออกไปโทรศัพท์ปั๊บหนึ่งโทรศัพท์เสร็จกลับก็มาหาเพื่อนได้เท่าไร่แกฉันว่าล้านนึงเนาะแกว่างปะทําไมพรุ่งนี้ฉันจะมาให้แกนับอีก <c oughs> เพื่อนช็อกกี่เยอะขนาดนี้เลยหรือฉันจะมาให้แกนับชั่วโมงละล้านก็ได้จริงหรือทําไมแกรวยอย่างนี้ละ่ะแกรวยได้ยังไงเธอก็บอกรู้ไหมทําไมฉันถึงรวยเพราะแกเนี่ย ฉันไปทําอะไรให้แกรวยตอนอยู่ประหกแกดูถูกฉันว่านําหน้าอย่างฉันชาตินี้จะไม่รวยฉันเลยทําทุกอย่างให้มันรวยเนี่ยที่มาเนี่ยก็เพราะว่าจะได้สะสังความแข็งเพื่อนนนั้นช็อกมากมากจริงเหรอฉันเคยไปพูดอย่างนั้นแกแกเมื่อไหร่ก็แกพูดไงตอนเราเล่นวอลเลย์บอลฉันใหมนู้น่ะ เพื่อนคนนั้นพูดเสร็จแล้วก็ลืมเพราะ อ, อยู่กับปัจจุบันแต่ผู้หญิงคนนี้อยู่กับอะไร อ, อยู่กับอดีตตลอดเวลาแล้วเอาคำดููกของเพื่อนน่ะมาทิ่มตัวเองทิ่มทิ่มทิ่มทิ่ ม, ท, มทิ่มกัไปแล้วสู้ชีวิตสู้ชีวิตสู้ชีวิตหวังว่าจะเอาชนะเพื่อนพอวันที่ตัวเองชนะไปบอกเพื่อนเพื่อนกับลืมไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นมมีคนอีกเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่มีชีวิตแต่ว่าไม่มีชีวะ เขายืนอยู่ตรงนี้แต่ความคิดความาานั้นถอยหลังไปหลายสิบปีแล้วไปคลุกอยู่กับความทุกข์ในอดีตความเศร้าในอดีตความเป็นหวังในอดีตความเจ็บช้ําระกำใจในอดีตบางคนไม่อยู่ในอดีตก็หลุดไปอยู่ในอนาคตวันก่อนเจอนักศึกษาคนหนึ่งที่มหาวิทยาลออัยอุสวดมาเล่าให้ฟังวันสอบเสร็จแล้วแต่นอนไม่หลับทุกคืนทําไมกลัวคะแนนออกมาไม่ดี อดัมมาบอว่ากังวลทําไมล่ะลูกสิ่งที่อยู่ในมือลูกคือการตั้งใจเรียนและทําข้อสอบก็ส่งถึงมืออาจารย์เป็นเรื่องของอาจารย์ไม่ใช่เรื่องของลูกลูกกังวลไปลูกก็แก้ไขไม่ได้เห็นไหมผลสอบยังไม่ออกแต่เขาตีตั๋วจองความทุกข์มาบริโภคล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนี่ก็คนที่ไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันจึงถูกอาเดชและถูกอนาคตทําร้าย อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่จบไม่เส้นการอยู่กับปัจจุบันเป็นทำให้เราเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าเราจะไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดในอดีตและความคิดในอนาคตฉะนั้นจิตของเราจึงเป็นอิสระอาจารย์บางท่านบอกว่าการเจริญสมาธิแก้กรรมได้เพราะอะไรเพราะว่ากรรมเล่นงานเราทางความคิดเช่นผู้หญิงบางคนไปทาแท้งแล้วก็รู้สึกเผ็ด แล้วก็อยู่กับความรู้สึกผิดนั้นไม่จบไม่สิ้นทําแท้งครั้งเดียวแต่ทุกปางตายนับครั้งไม่ถ้วนเพราะว่าทุกครั้งที่เธอคิดถึงก็เหมือนถูกมเมฆแห่งความทุกข์นั้นกลีดเข้าไปที่ก้วงหัวใจเธอทำแท้จริงๆครั้งเดียวแต่เธอทุกข์เพราะความคิดนับแสนนับหมื่นครัขงก็เพราะเธอไม่เคยเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ตรงนี้แต่หลุดเข้าไปในอดีตนั่งอยู่ตรงนี้แต่หลุดเข้าไปกังวลถึงอนาคต ฉนั้นจึงมีใบหน้าที่หม่นหมองครองเศร้าอยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าถ้าเราเจริญสมาธิเราตัดกันได้มันตัดได้ยังไงก็เพราะว่าเมื่อเราตัดความคิดได้เราไมาอยู่กับลมหายใจทําอะไรอยู่เราอยู่กับสิ่งนั้นทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทําทุกคําที่พูดทุกอิริยาบทที่เคลื่อนไหวเต็มไปได้วยความรู้สึกตัวความคิดมันจะเข้ามาได้ยังไงในเมื่อเรามีความรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมจิตของเรานี้มันทํางานทีละขนาดนะมันคิดได้ทีละเรื่อง พระพองค์ทรงคนนงร้นพบเคล็ดลับตรงนี้ว่าจิตทํางานทีละเรื่องจิตจะต้องเกาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นอาหารของจิตทีละเรื่องทีละเรื่องฉะนั้นขณะใดาก็ตามที่จิตเรามีความรู้สึกตัวความเศร้าก็ไม่อยู่ตรงนั้นอดีตก็ไม่อยู่ตรงนั้นอานาคตก็ไม่อยู่ตรงนั้นขณะใดาก็ตามที่จิตเรามีเมตตาความโกรธก็ไม่อยู่ตรงนั้นขณะใดาก็ตามจิตของเรามีความใจกว้างมีความอารีอารอบ โลภะก็ไม่อยู่ตรงนั้นขณะใดาก็ตามที่จิตของเราสว่างสวยด้วยปัญญาความโง่ก็ไม่อยู่ตรงนั้นเห็นหรื อ, อยังเราเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลคุณภาพจิตของเราได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้พอความทุกข์เกิดขึ้นในจิตก็รวมตัวเป็นส่วนหนึ่งกับความทุกข์ซะเลยเห็นไหมหารู้ไม่ว่าความทุกข์เนี่เราพลิกมันให้เป็นความสุขได้นะเราพลิกได้ทั้งนั้นแหละเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม สิ่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนะี่ยมันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราพลิกได้มันจะทําให้เราค้นพบความสุขเหมือนเรื่องราวที่ธรรมาภาพเล่าให้ฟังเมื่อคืนว่านักธุรกิจสตรีคนหนึ่งสูญเสียสามีแล้วเฝ้าโทษตเองไม่จบไม่สิ้นว่าไม่ได้ดูแลเขาทุกข์โรมข่มไมกินไม่ได้นอนไม่หลับจนผอมแห้งแรงน้อยปิ่มว่าจะตัดใจตายต า, ยตามสามีเพื่อทดชัยให้กับความเผ็ดที่เธอลกเลยเขา แต่แล้ววนหนึ่งเมื่อมีคนส่งข้อความหนึ่งมาให้ข้อความนั้นบอกว่าจงยกโทษให้ตัวเองเถิดในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราไม่สามารถทำให้มันดีได้ทุกๆุกเรื่องหรอกพอเธอได้อ่านข้อความอย่างนี้เท่านั้นแหละเธอสว่างทันทีเธออภัยให้ตัวงได้อย่างหมดใจเพราะาเธอบอกว่าอ๋อที่เราไม่สามารถทำดีได้ทุกๆเรื่องก็เพราะเราเป็นมนุษย์ไงมนุษย์ที่ยังมีกิเลสไง เราไม่ใช่คนที่แต่รู้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงทําผิดทําลาดทําถูกปนกันไปหมดเพราะเราคือมนุษย์ใช่ไหมพอเธอเข้าใจต้นเหตุแห่งความผิดพลาดของเธอว่าเพราะเธอเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสไงมันถึงไม่สามารถเอาดีได้ทุกเรื่องนะพอเธอหนักรู้อย่างนี้จิตของเธอนั้นหลุดพ้นเลยที่เคยทุกข์มาทั้งหมดนะมันเปลี่ยนคุณภาพกลายเป็นความสุขทันตาเห็นนะทุกเท่าไร่สุขเท่านั้น ในทางเซนท่านจึงบอกว่าโนมัตโนโลตัสไม่มีตมก็ไม่มีบัวบัวมาจากไหนก็มาจากตมและน้ำไงสุขมาจากไหนทุกนั่นเองความทุกข์ที่ถูกมองเห็นจะเปลี่ยนคุณภาพเป็นความสุขฉะนั้นเวลาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจสิ่งแรกที่พระองค์ตรสคือทุกขังอรยิยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ มันประเสริฐได้ยังไงเพราะว่าถ้าเราเห็นทุกข์เราจะพบสุขจำถ้อยคำนี้ให้ดีๆนะเห็นทุกข์จะพบสุขนะเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์กวาดัมภาพที่ยุโรปเนี่ยทุกข์จนขนไม่มากเพราะวาสามีไปมีสามีใหม่พ่อรู้เรื่องนี้เธอไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกแล้วมองดูสาระรูกตัวเอง แล้วก็รำพึงออกมาว่าฉันคืออดีตผู้หญิงที่โฉมสะครานในวันนที่ผ่านมานั้นเคยถูกขอแต่งงานเดือนเดียวดังสามครั้งและฉันไม่เลือกใครฉันเลือกหนุ่มคนนี้แล้ววันนี้ดูสิ่งที่เขาทากับฉันเขาไปมีสามีใหม่เธอบอกเองว่าเขามีสาวกี่ร้อยคนก็รับได้แต่ไปมีสามีใหม่เธอรับไม่ได้ เธอจึงตัดสินใจไปบอกเขาตรงๆว่ารับไม่ได้ให้เลือกเอาสามีบอกว่าจะให้ผมเลือกได้ยังไงในเมื่อผมไปมีคนอื่นไม่ใช่เพราะผมไม่รักคุณแต่ผมยังรักคุณและผมก็ยังรักเขาผมไม่ได้ทําไปไม่ใช่เพราะไม่รักผมยังรักคุณอยู่เต็มหัวใจแล้วจะให้ผมเลือกได้ยังไงผมขอไม่เลือกภรรยาก็บอกว่าพี่ ที่รับได้ก็รับไปแต่น้องรับไม่ได้น้องขอเลิกทามิก็บอกว่าอย่าเลิกถ้าเลิกสังคมก็รู้กันทั่วสิว่าผมเป็นใคร mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เวลาที่เราแต่งงานเราไม่ได้แต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นนะเราแต่งกับสถานภาพแต่งกับหน้าตาแต่งกับชื่อเสียงแต่งกับอัครฐฐานทางสังคมเยอะแยะมากมายผู้ชายไม่ยอมเลิก จะทุกจมข่อมไม้มาอุ๊แล้วทุกเอกแทบล้มระดาตายแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งสามีก็ถูกหักหลังสมสานกลับมาหาเธอมาดูแลเธออย่างดีดีจนกระทั่งเธอตกใจเธอบอกว่าพอได้แล้วพี่ๆอย่าทำขนาดนี้พี่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ใช่อผมต้องทำเพราะผมเกิดการเปรียบแทบแล้ว ว่าคนที่ดีแต่ผมที่แท้จริงคือคุณและตั้งแต่นั้นนะเธอได้สามีคนใหม่คืนมาเลยเพราะเขาเกิดการเปรียบเทียบแล้วว่าภรรยาคนเนี้ยดีที่สุดเธอบอกว่าทุก์แค่ไหนเขาคืนมามากแค่นั้นคนคนเดียวกันนั่นแหละทําให้ทุกจนเกือบจะฆ่าตัวตายพอเปลี่ยนไปไปในคนก็คนคนเดียวกันนั่นแหละทําให้เหรือดีใจและมีความสุขดังหนึ่งขึ้นสวรรค์ เธอบอกว่าครั้งหนึ่งเมื่อสามีนอนหลับเธอลุกขึ้นมานั่งบนเตียงแล้วมองดูหนะ้าเจ้าคนนี้ไม่ใช่หรือที่เราแค้นมันแค้นจนอยากฆ่ามันแล้วตอนนี้นะเรานะรักและภูมิใจในตัวมันสุดๆเธอบอกว่าพอคิดอย่างนี้ได้เกิดสงสารสามีขึ้นมาจับจิตจับใจว่าเขาเป็นแค่เจ้าตัวเล็กในมือเธอเป็นเจ้าตัวเล็ก ที่ทั้งทําให้เธอมีความสุขและทั้งทาให้เธอมีความทุกข์เธอบอกว่าจู่ๆก็บรรู้ธรรมว่าความสุขและความทุกข์แท้ที่จริงก็คือด้านทั้งสองของเหรียญเดียวกันพอเกิดความสว่างสบายและเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาเธอบอกว่าชีวิตมันเบาไปหมดส้ามีจะไปมองคนอื่นก็ไม่ถึงไม่ห่วงไม่อะไรเธอบอกว่ามันเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเองเหมือนเราอยากกินสเต็กเนื้อสันนะตอนอยากเนี่ยอยากตอนกินก็อร่อยอร่อยพออร่อยแล้วเกิดเนื้อติดฟันขึ้นมาอยากจะแคะทิงซะงั้นก็ <c oughs> ไหนว่าอร่อยไง <c oughs> พออิ่มแล้วแค่ทิ้งเลยติดนิดเดียวก็ไม่ยอม <c oughs> นี่หรือความสุข ฉะนั้นความสุขความทุกข์นี่มันเป็นด้านทั้งสองของเหรียญอันเดียวกันนะหากวันหนึ่งชีวิตเราพบความทุกข์อย่าโกรธอย่ากลัวความทุกข์อย่าทําร้ายตัวเองที่เจอทุกข์บอกตัวเองว่าทุกข์อยู่ตรงนี้สุ ข, ขก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยความประเสริฐของความทุกข์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าความทุกข์เป็นความจรงิงอันประเสริฐเพราะถ้าเราเห็น ความทุกข์ความทุกข์จะเปลี่ยนคนนะครับเป็นความสุขฉะนั้นถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาในชีวิตอย่ามัวให้ความร่วมมือความทุกข์ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ทันทีทันควันเช่นมีคนมาด่าเราเรารับคําด่าปั๊บทุกทันทีอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งเช็คแหนความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นมองสวนลงไปในความทุกข์พิจารณาทุกนั้นให้ดีๆแล้วเราจะเห็นว่าถ้าดูดีๆเขาเปลี่ยนเป็นความสุข เปลือกไปความทุกข์ก็คงจะเหมือนกับทุเรียนที่เปลือกนอกดูไม่ได้เอาอะไรทีเดียวแต่พอผ่าออกมากินเนื้อในนะจะจําไม่ลืมเท่าที่ยกตัวอย่างมาก็น่าจะพอสมควรนะโยมเห็นแล้วนะว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเราหลุดจากความคิดที่ทําให้เราทุกข์มาอยู่กับความสุขได้อย่างฉับพลันทันทีได้ยังไง ทีนี้จะมาถึงอีกขั้นหนึ่งของการทำตัวทำใจให้มีความสุขนอกจากการอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะทำให้เราเป็นอิสระจากความคิดที่นลงเราไปหาความทุกข์ได้แล้วเนี่ยมีวิธีหนึ่งคือการปรับปรุงใจของเราปรับปรุงโล ก, กัศน์ของเราวิธีคิดวิธีมองของเราเราสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นอุปกรณ์แห่งความสุขได้ถ้าเราสามารถปรุงใจให้ทุกข์ได้ทาไมเราจะไม่สามารถปรุงใจให้สุขได้เา่าใช่ไหม วิธีหนึ่งซึ่งจะปรุงใจให้สุขก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะมองทุกสิ่งทูกอย่างให้เป็นครูของเราอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาในชีวิตมองสิ่งนั้นว่าเป็นครูของเรามาสอนเราถ้าเรามองอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวเลยท่านพระพรมคุณาพรนักปราบชาวไทยท่านป่วยยี่สิบโรคแต่ท่านไม่อนาทรร้อนใจกับความป่วย ทุกครั้งี่ท่านป่วยท่านก็พิจารณาความป่วยเป็นอุปกรรณสอนธรรมมีวันหนึ่งท่านป่วยหนักหมอแนะนําให้ผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จแล้วท่านนอนแบบอยู่บนเตียงหมอมารักษาท่านพร้อมกับตําราทางการแพทย์ทิ้งตําราทางการแพทย์ไว้พอท่านฟื้นไข้ขึ้นมาท่านก็หยิบตําราขึ้นมาอ่านอ่านไปอ่านมาพบคําผิดในตําราของหมอบอกหมอ ว่าที่หมอออกเสียงกันอยู่นี่ไม่ถูกต้องนะอาตามาเช็คแล้วหม อ, อ, อ ก, กลับไปเช็คอีกทีหนึ่งปรากฏว่าหมอผิดกันมาโดยตลอด <S <S 1> <S 1> เห็นไหมกลายเป็นว่าตอนที่ป่วยนั่นแหละท่านได้ปัญญาคนพบปัญญาพระรูปนี้เป็นอัรชรยะรูปหนึ่งของไทย <S <S ท่านอ่านพจนานุกรมจนกระทั่งคนพบคำผิดในพจนานุกรมของฝรั่งแล้วเขียนจดหมายไปแจ้งจนฝรั่งเขาแก้เลย วันหนึ่งท่านป่วยอยู่ตาท่านมองไม่เห็นแทนที่จะนอนแบบอยู่เฉยๆท่านบอกลูกศิษย์ให้เอาต้นฉบับหนังสือมาซึ่งตรวจค้างเอาไว้ตาท่านมองไม่เห็นท่านก็บอกลูกศิษย์ให้อ่านให้ฟังพอลูกศิษย์อ่านให้ฟังเท่า น, นั้นแหละผิดตรงไหนท่านก็แก้ตรวจทานต้นฉบับตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ตาอย่างมองไม่เห็นแต่ให้ลูกศิษย์เป็นตาแทนท่านแล้วท่านก็ตรวจแก้ด้วยปากกับหู หนังสือเล่มนี้ท่านตั้งชื่อเล่นว่าฉบับหูกับปากเห็นไหมท่านป่วยอยู่แต่ความป่วยเล่นงานท่านได้หรือไม่ไม่ได้เลยท่านมองว่ามันเป็นครูเป็นครูยังไงท่านบอกว่าแหมป่วยทุกทีได้ทําหนังสือดีๆเพราะโยมไม่มากวนเวลาท่านป่วยใช่ไหมมีครั้งหนึ่งท่านบอกว่าว่าน่าจะป่วยให้นานกว่านี้อีกนิดหนึ่งจะได้เขียนเล่มต่อไปให้เสร็จ เห็นหรือยังนี่คือโลกกระทัดแห่งความสุขมองความป่วยเป็นโครูมองความป่วยเป็นโอกาสต่างกับบางคนบางค น, งคนพอป่วยปับ๊บคิดให้ตัวเองเจ็บช้ำน้ําใจมีลูกศิษย์คนหนึ่งโทรศัพท์ไปหาธรมภาพเพื่อป่วยหนักด้วยมะเร็งโทรศัพท์มาพระอาจารย์โยมขอถามหน่อยมันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของโยม พอเริ่มต้นอย่างนี้อตาตมารู้แล้วว่าที่ทุกๆน่ะเพราะอะไรลูกสอนดอกแรกที่ปักอกอยู่คือเมื่อเร็งดอกที่สองคือการคิดว่าตัวเองกำลังรับกรรมเธอบอกว่าโยมตักบาตรทุกเช้าทำบุญทอดกระดินทอดผ้าป่ามาตลอดชีวิตแล้วทำไมโยมต้องเจอสิ่งนี้ถ้าพระอาจารย์ตอบไม่ถูกใจโยมจะเปลี่ยนศาสนา อดามาก็คิดในใจว่าแล้วมันเรื่องอะไรของพระ <c oughs> <S <S เห็นไหมนี่คือคิดในป็งทุกเราทุกทางกายมากพอแล้วแต่เราเติมความทุกเราหาลูกศรแห่งความทุกดอกที่สองมาเสียบอกเกรงเพราะเราคิดไม่เป็นต่างกับผู้หญิงคนหนึ่งพอป่วยปับตัดสินใจลาออกจากงานมาฟื้นฟูดูแลสุขภาพ เคยทำงานหนักเธอเลิกทั้งหมดเธอทําตรงกันข้ามกับทุกอย่างที่เคยทํามาปรากฏว่าเธออาชนะคำทำนายของหมอหมอบอกว่าอยู่ได้เต็มที่หนึ่งปีเ้าอยู่มาตอนนี้เกินสิบปีและยังเขียนหนังสือคู่คู่มือฟื้นฟูสุขภาวะของผู้ป่วยโรคมะเรง็งกลายเป็นนักเขียนอีกคนหนึ่งเห็นไหมเรื่องเดียวกันทําให้คนหนึ่งทุกซ้ำทุกซอน เรื่องเดียวกันทำให้คนหนึ่งสุขซ้ำและสุขซ้อนเพราะวิธีคิดที่ว่ามองทุกอย่างเป็นครูนี่ก็เป็นวิธีปรุงใจให้เป็นสุขอีกแบบหนึ่งนะอา้าวทีนี้มาถึงวิธีสุดท้ายเท่าที่เวลาหน่อยวิธีสุดท้ายของการปรุงใจให้เป็นสุขคือการแวดล้อมตัวเองด้วยสิ่งดีๆและคนดีๆเรามานั่งปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรามองดูหน้าเพื่อนเรา นี่หน้าคนดีนะไม่มีหน้าเจ้านี้หรอใช่ไหมดูแล้วก็ไม่น่าจะขยับมากัดคอเราไม่มีไม่มีใครติดเล่าติดยาไม่มีใครพกมีดมาที่นี่ทุกคนเป็นคนดีใช่ไหมเรารู้สึกปลอดภัยไหมเราปลอดภัย ก็าออกไปเดินจนกลมท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติที่นี่สวยงามไหม<ว>อากาศดีไหมหายใจเต็มปอดไหม<ว>เห็นไหมว่าสภาพแวดล้อมอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกดีไหมและทุกวันเนี่ยเราอยู่ที่บ้านหูเราเนี่ยเสียบหูฟังเปิดเพลงบ้าบอโคแตกกระแทกกระทัน ปังคนเดียวไม่พอกันเท้าให้คนอื่นดูด้วยมันอยู่คนเดียวแล้วตกกลางคืนก็ดูละครนำน่องทั้งจบทั้งจูบอิดฉาตาร้อนดูคนเดียวไม่พอกลัวไม่เหมือนโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเธออีก5นาทีมาแล้วนะ <c oughs> ไอ้เพื่อนเน่าไปด้วยกันเต็มไปด้วยหมดลพิษ ก็อนอนกับสามีก็ไม่เคยพูดดีๆต่อกันพูดดีกับคนทั้งโลกทแทคแค่คนทั้งโลกแต่กับคนแก้กันตาแกนอนนอนได้แล้วพอรุ่งเช้าเราตื่นก่อนแทนที่จะหอมสามีสักฟอดหนึ่ง ไปใกล้ๆเขาหอมแก้มเขาพร้อมลมหายใจบางๆพอตื่นขึ้นมาสิ่งที่เราทำคือตบหลักก็ะพัวไอ้แกนอนกินมากกินเมืองไปถึงไหนทําอย่างนี้ไงมาถึงจชน่สามีตื่นขึ้นมาเจออย่างนี้เขาจะรักไหมเจอกันทุกวันทุกวันแต่พอกลับมานะ หมานอนอยู่บนโซฟาเดินไปลือกกินข้าวดูแลหมาอุ้ไปกินข้าวเสร็ไปหาแมวแมวนอนอยู่บนเตียงด้วยกันเมื่อคืนโต๊โตโตทุนหัวของบ่าวโอ้แมวมาหอมถ่ายรูปอัพเฟซบุ๊กรูปแรกของวันแต่กับสามียังไม่ตื่นอีก เนี่ยเราสามารถมีความสุขได้ถ้าเราปรุงตัวเองให้อยู่ท่ามกลางสิ่งที่ดีๆเราพูดดีๆเราปฏิสัมพันธ์ดีๆเรามีความสุขได้แต่ประหลาดนะเราไม่ค่อยทํำเขาสูบบุหรี่กันตรงไหนพากันไปแออัดอยู่ตรงนั้นดื่มรหล้กันตรงไหนบางนีเขาไม่เรียกนะเขาตั้งวงอยู่ตรงโน้นมันเดินผามันโฉบเข้าไปเฉยเลยไปนั่งกินกับเขาทําไมเราจึง ถูกดึงดูดด้วยสิ่งไม่ดีง่ายเหลือเกินฉะนั้นทางหนึ่งที่จะทาให้สุขภาพจิตเราดีคือจงรายล้อมตัวเองด้วยคนดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเรารายล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่ดีๆนะเราจะเห็นผลมันชัดเจนเลยทีเดียวถ้าเรารายล้อมตัวเองด้วยความสงบเราสงบถ้าเรารายล้อมตัวเองด้วยความบุนแรงเราก็จะเก็บรับซึมซับ ด, ดอกผลของความรุนแรงเหมือนกันฉะนั้นทุกวันนี้เรารายล้อมตัวเองด้วยอะไร ประดังมีสุภาษิตวัจุาวัจุเอชเราเป็นอย่างที่เรากินคุณกินขยะเข้าไปนะคุณก็ถ่ายเทออกมาเป็นขยะคุณกินดอกไม้เข้าไปคุณก็ถ่ายเทออกมาเป็นดอกไม้เราเป็นอย่างที่เรากินเราเป็นอย่างที่เราคิดฉะนั้นเรากินอยู่ตลอดเวลาคําว่ากินไม่ได้หมายความว่าหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งใส่เข้าไปทางปากคําว่ากินหมายความว่าเรารับสัมผัสเรา แกปรับซึมซัพทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาทางอายตนะคือปากทั้งหกของเราเรากินผ่านตานั่นคือกินรูปเรากินผ่านหูนั่นคือกินเสียงเรากินผ่านเลนนั่นคือกินรสเรากินผ่านกายนั่นคือสัมผัสและเรากินผ่านทั้งที่เราคิดผ่านใจ เห็นไยังว so ่าเรากินอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นกินจึงไม่ได้มีความหมายแคบแคบว่าหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ปากเท่านั้นนะแท้ที่จริงเรากินตลอดเวลาเลยกินทางต่างของใจหมองลิ้นกายใจทางตาหูงใจหมองลิ้นกาได้แล้วเราป้อนมันทุกคืนทุกวันกินอยู่ตลอดเวลาเรากินอย่างไรเราก็จะทายให้ออกมาอย่างนั้นแหละถ้าเรากินความสงบกายเราสงบใจเราสงบถ้าเรากินความรักเข้าไปเราจะรักคนทั้งโลก ถ้าเรากินความรุนแรงเราก็จะรุนแรงกับตัวเราเองก่อนแล้วก็รุนแรงกับคนและสิ่งแวดล้อมของเราคำถามคือทุกวันนี้เรารรยล้อมตัวเองด้วยอะไรด้วยดอกไม้หรือขยะด้วยเทวาหรือสาตาลด้วยบุญหรือด้วยบาปฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะรายล้อมตัวเองด้วยสิ่งดีๆ ด, ด้วยคนดีๆ ด้วยเรื่องราวดีๆและด้วยพลังงานดีๆเราดีวันดีคืนนะเราจะมีความสุขในทางกลับกันถ้าเรารายล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่ไม่ดีด้วยคนไม่ดีด้วยพลังงานไม่ดีเราจะมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นถ้าเราปรุงตัวเองให้ทุกขได้ในแต่ละวันก็แสดงว่าเราต้องมีศักยภาพที่จะปรุงตัวเองให้สุขได้เช่นเดียวกัน วิธีการก็อย่างที่กล่าวมาสามประการนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งเรียนรู้ที่จะ อ, อยู่กับปัจจุบันสองมองทุกอย่างเป็นครูและสามรายล้อมตัวเองด้วยสิ่งดีๆคนดีๆและพลังงานดีๆสามประการนี้ใครทำได้เราจะกลายเป็นบุคคลที่มีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมือ่อ